นพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้เห็นมูลพระพุทธเจ้าเห็นมูลทั้งอกุศลมูลของวัตตะทั้งหมดก็มีอวิชาเป็นมูลส่วนมูลของวิวัตตะความหลุดพ้นจากวัตตะก็มีความไม่ประมาทเป็นมูลอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าอาวิชาเป็นมูลแห่งสังขารนนะก็คำว่ามูลเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรมูลนี่เป็นชื่อของ เหตุนิทานสมภพสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทัยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยเป็นมูลแห่งสังขารสังขารเป็นมูลแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นมูลแห่งนามรูปนามรูปเป็นมูลแห่งสลายตนะสลายตนะเป็นมูลแห่งภาษาภาษะเป็นมูลแห่งเวทนาเวทนาเป็นมูลแห่งตัณหาตัณหาเป็นมูลแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นมูลแห่งพบพบเป็นมูลแห่งชาติชาติเป็นมูลแห่งชราและมรณะนี่นะ เพราะ น, นพระพุทธมีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้เรียกว่าพระองค์นี่ทรงเห็นมูลเห็นด้วยรู้ด้วยสัพพัญยุตยานเห็นด้วยสมันตะจกักษุเนี่ยนะพระองค์นี่เห็นมูลแห่งปฏิจจสมุปาตเนี่ยนะเห็นมูลแห่งวัฏตะทั้งหลายเนั้นก็แสดงว่าแต่ละอย่างที่อย่างเช่นนะถ้าชีวิตของเราตอนนี้เนี่าเวทนาที่กําลังเกิดตอนนี้เนี่ยพระองค์เห็นมูลเลยใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากภาษาภาษะ เราเนี่ยมูลมาจากไหนก็มาจากอายตนะอายตนะมีอะไรเป็นมูลก็มีนามรูปนามรูปมีอะไรเป็นมูลก็มีวิญญาณเป็นมูลแล้ววิญญาณล่ะก็มีสังขารเป็นมูลสังขารมีอวิชชาเป็นมูลเนี่ยนะสามารถที่จะสาวไปหามูลได้หรือถ้ามีตาขณะเนี่ยเป็นมูลแห่งอะไรได้บ้างมีตาอย่างเดียวเนี่ยนะครับตาเนี่ยเป็นมูลแห่งภาษาแล้วภาษาเนี่ยจะเป็นมูลแห่งอะไรก็เป็นมูลแห่งเวทนา เวทนาล่ะก็เป็นมูลแห่งตันหาพอตันหาก็เป็นมูลแห่งความยึดถือกอูปาทานพอยึดถือความยึดถื อ, อ น, นั้นก็เป็นมูลแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเราเนี่ยเป็นมูลแห่งวิบากวิบากขณะที่ยังลงครั้งแรกในภพนั้นก็เรียกว่าชาตินัะก็จะเป็นมูลแก่กันต่อกัรนั่นเนี่ยพราอใ น, นคําว่ามูลเหตุนิทานสมภพสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจใจสมุทัยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็น ก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเห็นมูลของวัตตะความเป็นไปในวัตตะอย่างตลอดสายและสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นส่วนอกุศลเป็นฝ่ายอากุศลธรรมะทั้งหมดนั้นน่ะมีวิชาเป็นมูลมีอวิชาเป็นที่รวมมีอวิชาอันกําจัด อ, อันอรหัตธรรมกําจัดได้ย่อมถึงความเพิกถอนทั้งหมดเนี่ยนะ อวิชชาเนี่ยเป็นมูลแห่งบาปอกุศลเนี่ยนะอรหัตตะมักนั่นแหละจึงจะถอนอวิชชาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมูลเห็นเหตุเห็นนิทานเห็นสมภพเห็นสมุทฐานเห็นอาหารเห็นอารมณ์เห็นปัจจัยเห็นสมุทัยแม้ด้วยประการชนี้จึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้เห็นมูลนะสรุปรคำที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจตันหาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม แล้วพระองค์เห็นมูลทั้งเห็นมูลกุศลและอกุศลเป็นเห็นมูลทั้งวัตตะและเห็นมูลของวิวัตตะทั้งหมดเนี่ ย, รย Wu, พระพุทธเจ้าผู้เห็นมูลท่านพรปุณณะท่านพระปุ ณ, ปณากากะก็กล่าวว่าข้าพระองค์เนี่ยมีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าความว่าข้าพระองค์นี่มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าคือมาเพื่อจะทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่ง ข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์จะทูลถามคือประสงค์จะฟังปัญหาจึงมาเฝ้าคือเข้ามาเฝ้าเข้าใกล้นั่งใกล้อีกอย่างหนึ่งพระองค์เนี่ยมีพระองค์เนี่ ย, รยทรงมีประสงค์ด้วยปัญหาจึงเสด็จมาคือพระองค์เนี่ยก็ทรงอาจสามารถเป็นผู้ควรจะตรัสควรจะวิสัชนาควรจะแสดงควรจะชี้แจงซึ่งปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามะนะที่มาที่มาเนี่ยก็เพราะว่า มีปัญหาจึงมาและที่มาตรงนี้ก็เพราะพระองค์สา ม, มารถจะแก้ปัญหาได้จึงมาจึงมาถามปัญหานี่นะตัวเองก็สงสัยและพระพุทธเจ้าก็สา ม, มารถที่จะตอบได้นี่คําถามเขาที่บอกว่าฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราหมณ์เป็นอันมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันสแสวงหายันให้กเทวดาคําว่ายันเนี่ยแปลว่าการบูชาเนะีพูดง่ายๆก็ ทำไมเขาจึงทำบุญกันเขาอาศัยอะไรเขาจึงทำบุญกันนะทั้งที่ถูกบุญบ้างไม่ถูกบุญบ้างเนี่ยนะแตก่ก็คือปรารถนาจะทำบุญเนี่ยทั้งที่เกิดการบูชาการเส้นการสวงการทำสารพัด ท, ที่ทำกันอยู่เห็นเเนี่ยนะที่กิจกรรมที่เขานับถือกันว่าเยี่ยมอะ่ะเนี่ย น, นะกิจกรรมของทุกๆศาสนาเนี่ยนะของศาสนาไหนก็ตามเถอะนั้นเขาเขาอาศัยอะไรเนี่ยนะเขาจึงทำคำว่า กิงนิสิตาความว่าอาศัยคือหวังเยื่อใหญ่เข้าไปใกล้พวพันน้อมใจซึ่งอะไรคำว่าฤาษีก็คือพวกใดพวกหนึ่งที่บวชเป็นฤาษีอาชีวกนิครนฉดินดาบทชื่อว่าฤาษีส่วนมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์พวกกษัตริย์กษัตริย์ก็ก็อย่างที่รู้กันนะพวกชาติกษัตริย์เป็นต้นเราได้เราหนึง่ง พวกที่ยกย่องสรรเสริญกันว่ามีวาทาว่าเจริญเนี่ยนะเราได้เรานึงชื่อว่าพราหมณ์เพราะฉะนั้นพวกฤษีมนุษย์กษัตริย์พรามเนี่ยเขาหวังอะไรเขาจึงบูชายันเขาจึงบูชาเทวดาน่ยนะนับถือเทวดาเทวดาของแต่ละสายนี่ไม่เหมือนกันนะเช่นอาชีวกเป็นเทวดาของผู้อาชีวกสาวกนันนะ นิครนก็เป็นเทวดาของพวกนิครนสาวกชดินก็เป็นเทวดาของพวกชดินสาวกปริภาชกก็เป็นเทวดาของปริภาชกสาวกดาบทก็เป็นเทวดาของดาบทสาวกเนี่ยเช้างก็เป็นเทวดาของพวกที่ประพฤติวัดแบบช้างอ่ะนะก็ถือนับถือเทวดานับถือช้างอ่ะม้าก็เป็นเทวดาของประพวกประพฤติวัดแบบม้าโคก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติวัดแบบโคสุนัขก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติ กูรูรพฤษก็คือวัดของสุนัขนี่นะกาก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติกากับพรษก็คือประพฤติวัดของกาเท้าวาสุเทพก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติวาสุเทพพฤษโพลเทพก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติพลเทพพฤษเท้าปุณณะพัฒน์ก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติปุณณะพัฒนพรตก็มณิพัฒน ก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติมณิพัฒพรตหรือไฟก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติอัคคีพรตพวกที่บูชาไฟนะตื่นเช้ามาเขาจะเอาเนยใสเนื้อะไรหยอดลงไปในไฟเรื่อยเพื่อบูชาไฟอะ่ะหรือนาคก็เป็นเทวดาของพวกประพฤตินาคพรตครุดเนี่ยนะครุดก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติสุวรรณพรตเพันธุ์อสูรก็เป็นเทวดาของพวกประเพติยกักษ์พรต พวกยักษ์ก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติยักษพรตเนี่ยนะคนทันก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติคัน ท, ะทะบับพพรตเท้าวมหาราชก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติมหาราชพรตจันทเทวบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประเพณิจันทพรตสุริยะเทพบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติสุริยะพรตอินทเทพบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติอินทพรตพรหมก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติพรหมพรตเนี่ยนะ พวกเทพเป็นเทวดาของพวกประพฤติทเทพพรตที่ทั้งหลายก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติสิศพร์พระทักขินยบบุคคลก็สมควรแก่ทายาธรรมของชนเหล่าใดก็ถือว่าเป็นเทวดาของชนเหล่านั้นการว่าที่บุคคลใดเป็นที่ที่ควรรักสการะเคารพของเขาอะนะที่เขามีอะไรเขาเอาไปทําบุญกับพวกนั้นอะพวกใดก็ตามก็ถือว่าเป็นเทวดาของพวกนั้นคือที่เขาบูชาเนี่ยนะ สรุปโปเทวดานี่มีเยอะนะก็แล้วแต่ลัที่ใดนะนับถือใครก็นั่นแหละถือว่าเทวดาของสายนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอาชีวกนิครนชดินปริภาชกดาบทช้างมาโคสุนักกาอันนะบางทีก็พวกนับถือจระเข้ก็มีนะนับพวกนับถือสิงสาราสัตว์เนี่ยนะก็เอาพวกนั้ น, นเป็นเทวดาแม้กระทั่งนับถือเท้าวาสุเทพพลเทพท้าปุพัทเท้ามณีพัท หรือนับถือฝ่ายนาครุดยักษ์อสูนคนทันเท้ามหาราชนับถือจันเทพบุตรสุริยะเทพบุตรอินทเทพบุตรหรือนับถือพรมทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พากันนับถือกันทีนี้การนับถือก็ไม่ใช่นับถืออย่างเดียวนะก็หลังไทยธรรมบูชาให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยอยู่ยาทั้งหลายเนี่ยนะ จะให้ปัจจัยสี่ให้ข้าวให้น้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปกใยที่นอนที่พักเครื่องประทีปทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่ายันก็คือให้ปัจจัยสี่กับวัตถุทานนั่นแหละเอาไปบูชาเนี่ย น, นะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายันสแสวงหาแล้วซึ่งยันคําว่าแม่ชนเหล่าใดเสาหาสแสวงหาสืบหาปัจจัย4ี่เนี่ยนะกับวัตถุทาน10เหล่านี้ก็เรียกว่าสแสวงหายัน ใครที่จัดแจงปัจจัยสี่วัตถุทาน10เหล่านี้ก็เรียกว่าสแสวงหายันคนที่ให้ปัจจัยสี่ให้วัตถุทานสิที่กล่าวไปก็เรียกว่าสแสวงหายันเหมือนกันดังนั้นคนเหล่านั้นเป็นอันมากก็นะก็พาผู้บูชายันก็มากพระทักขินยับุคคลก็มากตัวยันนะนะคือของที่จะบูชากเยอะพวกที่บูชาก็เยอะพวกที่รับ การรับรับของบูชาก็เยอะเหมือกันเช่นว่ายันเหล่านั้นน้ำมากเป็นอย่างไรก็คือปัจจัย4หรือพวกผ้าเ น, นี่ยพวกข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของห้องเครื่องลูกไล่ที่นอนที่พักประทีบ พ, พวกนี้ทั้งหมดอ่ะหรือผู้บูชายันก็มากนะไม่ว่าจะกาษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตถ์บรรพชิตเท ว, วดามนุษย์อ่ะเนี่ยพวกนี้ก็บูชายันกันทั้งนั้นคือเอาปัจจัย4เป็นต้นนะนะบูชา หรือพวกทักขินยายบุคคลผู้รับก็มีมากทักขินายาบุคคลมากก็คือสมณะพราหมณ์ยาจกวนิพกสาวกหรือพระทักขินายาบุคคลของพวกนั้นะแล้วแต่เขานับถือใครนะเขาให้ใครพวกนั้นก็ถือว่าเป็นทักขินายบุคคลของพวกนั้นให้ทานกับพวกคนกัมพราก็ถือว่าคนกัมพราเนี่ยเป็นทักขินายบุคคลของเขาไปให้ทานแก่กลุ่มใดก็ตามให้ทาน an, กับมดปลวกเดรฉานก็คือว่าทักขินายาบุคคลผู้ควรแก่ทักษินาของเขาอ่ะ นี่นะที่คำถามว่ารือีมนุษย์กษัตริย์พรามเป็นอันมากอาศัยอะไรจึงพากาันแสวงหายันให้แก่เทวดาทั้งหลายนี่นะที่ที่บอกว่ามีประสงค์ด้วยปัญหาเนี่ยนะคำว่าปัญหาที่ที่เขาถามเนี่ยที่บอกว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นน่ะการถามปัญหาเนี่ยนะ บางอย่างก็เป็นอธิษฐโชตนาปุจชาทิฏฐสังทนาสังสันทนาปุจชาวิมติเฉทนาปุจชาคําว่าอธิษฐโชตนาปุจชาเนี่ยเป็นฉไนก็คือลักษณะที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เทียบเคียงไม่พิจารณาไม่เจมไม่แจ้งไม่ปรากฏโดยปกติบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเทียบเคียงเพื่อพิจารณาเพื่อต้องการให้เจมแจ้งเพื่อต้องการให้ปรากฏซึ่งลักษณะนั้นชื่อว่าอธิษฐโชตนาปุชชา คือถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคําถามคือถามในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยไปไม่เคยอะไรมาก่อนเลยอ่ะนะเช่นใครไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเล่มใดเล่มหนึ่งมาเลยก็ถามไม้เล่มนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะเช่นไม่เคยหยิบปรฐานมาอ่านเล ย, เยปฐานนี่กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างลักษณะคําถามแบบนี้ส่วนทิฏฐะสังสันธนาปุจชาก็คือลักษณะที่รู้เห็นเทียบเคียงพิจารณาแจ่มแจง้จงปรากฏโดยปกติ บุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อต้องการสนทนากับบัณฑิตอื่นๆหาเพื่อนคุยนะจิงก็ทั้งก็รู้อยู่แล้วแหะแต่ก็หาเพื่อนคุยป้ายถามเพื่อจะคุยกันนะ่ะเาเรียกว่าทิฏฐะสังสนทนาปุชาก็ถามเพื่อความรู้ความเห็นเพื่อสนทนากัรนี่แหละส่วนอย่างที่สมก็คือวิมติเฉทนาปุชาก็คือ บุคคลเล่นไปสู่ความสงสยัยความเคลือบแคลงความมีใจเป็นสองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรือหนอหรือไม่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นชะนายเนาะหรือเป็นอย่างไรดังนี้โดยปกติบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อต้องการตัดความเคลือบแคลงสงสัยเสียอย่างนี้ชื่อว่าวิมติเฉทนาปุชานีส่วนปุชาอีก3ประการก็คือมนุษย์ปุช ah, ามนุษย์ปุชา ah, นิมิตปุชา ah. มนุษย์ปุชาก็คือพวก มนุษย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหาหรือแม้กระทั่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหากษัตริย์เนี่ยนะพราหมณแพทย์สูตรครุหัตบันปชิตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็ทูลถามปัญหาในพระไตรปิกะเยอะนะลักษณะปัญหาที่เขาเข้าไปถามพระพุทธเจ้ากันส่วนอามนุษย์ปุจฉาอามนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะว่าเช่น มนุษย์เนี่ยย่อมทูลถามปัญหาไม่ว่าจะเป็นนาคครุดยักษ์อสูนคนทันเท้ามหาราชพระอินทร์พระพรหมเทวดาทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนนิมิตตปุชขาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเนรมิตพระพุทธรูปนะเนรมิตพระรูปอันสําเร็จด้วยพระหาราทยัยมีอวัยวะครบทุกส่วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระพุทธเนรมิตนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมถามปัญหา อย่างที่ในปุราเพทสูตรจุลวิูหสูตรมหาวิยูหสูตรเนี่ยนะหรือว่าอะไรตัววัตตะสูตรอะสูตรเราเนี่ยเป็นสูตรที่พระพุทธเนรมิตรเนี่ยท่านทูลถามปัญหา